ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินารังการะดีกาแปลพระพุทธคีตาจารย์ชาวศีลังการจนาต่อไปจะเป็นการอธิบายเรื่องของเจตเจตนาระะซึ่งท่านก็ยกมาเป็นตัวอย่างจากคำพีเน ธ, ธิปกร เพื่อจะตอบคำถามว่าก็อในเหล่านี้เป็นการแนะนำอัถฐะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทรงบัญญัติในเหล่านั้นอย่างไรเหตุนั้นพระมหากัจจยนะจึงกล่าวว่าอัาธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายและอานัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเทศนาหาระเพื่อพระโยคีทั้งหลายเทศนามีหกอย่างด้วยประการชนิด ก็ในเทวนาหาราหกอย่างนั้นอสสาทะคือถ้าการนั้นสำเร็จด้วยดีแกสัตนั้นผู้อยากได้กามอยู่สัตนั้นได้กามตามที่ต้องการแล้วย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้นี้เป็นอสาอสาทะอสสาทะก็คือความยินดีเพื่อเพลินพอใจนะก็ได้แก่สุขโสมนัสแล้วก็ตัญหาวิปลาส สุขสมณัติอิทธารมตันหาวิปัสสาท้าอย่างนี้เป็นอสัทธะแต่โดยสภาวะก็ ต, ตันหาตัวตันหาเป็สัทธะในเทศนาหาระหกอย่างนั้นอาทินวะก็คือถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กามอยู่เกิดความพอใจแล้วกามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์นั้นย่อมเจ็บย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกสอนแทงนี้เป็นอาทินวะอาทีนวะก็ได้แก่ทุก ทุกโทมนัสอณิถารมพูกนี้เป็นอาทีนวะนะการพิจารณ์ให้เห็นดูความมิเที่ยงเป็นทูเป็นนตาก็เพื่อให้เห็นอาทีนวะของสังขารทั้งหลายนั่นเองในเทสน า, าระหกอย่างนั้นนิสระคือผู้ใดละการทั้งหลายได้เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงูผู้นั้นมีสติร่วงพ้นตัณหาที่ชื่อว่า วิสติกานี้ในโลกอันนี้เป็นนิสรณะวิสติกาก็เป็นชื่องตัณหาแปลว่าสร้างไปในอารมณ์ต่างๆนิ่รณะนี้หมายถึงมรรคและ น, นิพพานนะมรรคและ น, น, นิพพานในเทศนาหาระหกอย่างนั้นผลคือทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนนี้เป็นอเนสง์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรมย่ยอมไม่ถึงทุกคติอันนี้เป็นผลของการประพฤติธรรมอุบายก็คือสิ่งที่พุทธเจ้าชักนำชี้ชวนให้ประพฤติเมื่อเมื่อใดอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุก์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นี้เป็นอุบายก็ได้แก่การเจริญโลคิยมักนั่นเองปุปราภาคมักสิ่งสมาธิปัญญานะในที่นี้แสดงปัญญาวิปัสนา ส่นอนัต ก, ก็คือคำสั่งบัณฑิตในชีวะโลกเมื่อยังมีความบากบันควรละเว้นบาป ท, ทั้งหลายเหมือนคนตาดีละเว้นทางขลุกคละเฉะนั้นนี้เป็นอนัตแต่เป็นคําชี้ชวนให้ประพฤติพระเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจา้ามีหกประการดังพันณนามาชนิแลพระผู้มีพระภาคเจา้าเมื่อทรงแสดงธรรมโดยในต่างๆอย่างนี้ชื่อว่าได้ประทานสิ่งที่น่าคลา ประทานสิ่งที่บุคคลต้องการและปรารถนาบุคคลใดต้องการสิ่งใดพระองค์ย่อมทรงประทานสิ่งนั้นแก่บุคคลนั้นคือพระองค์เสด็จจาริกไปในอันโตมณฑลสามร้อยโยชน์อันโตมณฑลหมายถึงภายในมณฑลสามรอยโยชน์เนี่ยนะเป็นมณฑลขนาดเล็กส่วนมัชชิมะมณฑลห0ร้อยโยชน์เป็นมณฑลขนาดกลางแล้วก็มหามณฑลเก้าร้อยโยชน์เป็นมณฑลขนาดใหญ่ ทรงตีกรองธรรมธรรมะเพรีทรงเป่าสังธรรมทรงยกธงธรรมทรงบรรลือดุสีหะทรงประกาศธรรมจักทรงโปรดให้เวนยสัตว์ดื่มรสแห่งสัจจ์อันสูงสุดทรงโปรดให้แหลงดอกบัวคือราวชนผู้ควรแนะนำตรัสรู้ทรงประธานสรนคมให้แก่ชนบางพวกทรงประธานศีลห้าการบรรชาและการอุปสมบทให้แก่ชนบางพวก ทรงประทานรูปปาจนรและอรูปปาจนรให้แก um um um. ่ชนบางพวกทรงประทานวิป um um. สัปสนามรรคผลนิพพานให้แก่ชนบางพวกทรงประกาศศาสนาแผ่ไปในโลกทั้งสิ้นดังนี้แลก็หลังจากที่ทรงจำบรรษาปวารณาแล้วในวันแรมหนึ่งค่ำพระพุทธองค์ก็พร้อมกับภิกษุสองมู่ใหญ่เนี่ยก็จะเด็ดจาริไปในมหามนทนซึ่งกินบริเวณทั่วมชิมะประเทศเก้าร hey ้อยยอดนะ บทเวีนเก้ารยยศก็จะเสดจาริกไปทรงรับพยธรรมของมหาชนและทรงแสดงธรรมโปรดตามอธัธยาศัยของมหาชนตามคามนิคมชนบทราชธานีเป็นเวลาเก้าเดือนนะกว่าจะกลับมาจำพรรษาอีกถึงเวลาเข้าจำพรรษ า, าถ้าช่วงวันมหาปารณาพระองค์ไม่ได้เสด็จจาริกก็จะเสด็จจาริกไปในวันขึ้นขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งนะขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่ง การเสด็จในช่วงนี้เป็นการเสด็จจาริกไปในมัชชิมะมณฑลหกร้อยโยศแค่เข้ามาจากมัทมัทยมชนบทมัชชิมะชนบทเนี่ยใช้เวลาจาริกแปดเดือนถึงเวลาเข้าจรศีลถ้าไม่ได้เสด็จจาริกในวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนอ้ายก็จะเสด็จจาริกในวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสองหรือว่าเดือนยี่การเสด็จในช่วงนี้เป็นการเสด็จจาริกไปในอันโตมณฑลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอันติมมณฑล คือมณฑลเล็กหรือมณฑลที่อยู่รอบในสามร้อยยนดซึ่งอยู่ภายในมณฑลทั้งสองนั้นใช้เวลาจาริกเจดเดือนก็ถึงเวลาเข้าจำํำรรษาเพราะฉะนั้นการเสด็จจาริกในมณฑลทั้งสามนั้นขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เสด็จก็คือกําหนดด้วยเวลาไม่ได้กําหนดตามพื้นที่นะเวลาเป็นตัวกําหนดว่าจะเสด็จไปในการเพียงไรก่อนถึงวันเข้าจำมรสาอีกนั้นเวลาออกกษัตริย์พระพุทธเจ้าก็เสด็จจาริกไปนะไปอนุเคราะห์ สัตโลกให้เขาได้เห็นได้กราบได้ไหว้แค่นั้นก็เป็นบุญอย่างมหาศาลแล้วนะพระพุทธรกิจตาจารย์ครั้งแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําลายกิเลสกามพร้อมทั้งอนุสัยโดยประกาศวิเชียน้อยอย่างนี้บัดนี้เมื่อจะแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงทําลายกิเลสกรรมของพระองค์เท่านั้นหามิได้แต่ได้ทรงทําลายกิเลสกรรมของชนผู้ที่ทําตามคําสอนด้วย จึงกล่าวบทที่กล่าวซ้ำกันทั้งตอนต้นและตอนท้ายซึ่งไม่มีบทอื่นแทรกว่าระเวระเวโรระร ะ, ระพิมาระเวระเวไม่ทรงมีเวนกับเสียงร้องที่ร้องด่าของอภิมานนะดูสับเขาคล้ายๆกันนะะระเวระเวนะระเวระระเว โรระพิมาระเวระเวโอ้แต่งได้ยังไงนาะเนี่ยในคาถานั้นคาว่าระเวระเวโรไม่ทรงมีเวรกับเสียงร้องตัดบทเป็นระเวอะเวโรพระชินเจ้าไม่ทรงมีเวรคือทรงเว้นแล้วจากเวรกับเสียงร้องคือกับคำอยากคายถามว่ากับเสียงร้องเช่นไรของใคร ตอบว่ากับเสียงร้องที่ร้องด่าของอภิมานคือของวัสวัตดีมานในคำนั้นมีอธิบายดังนี้เสียงที่ร้องเสียงที่ร้องต่างๆคือที่ผิดหรือเป็นคำที่สำนวนต่างการชื่อว่าวิระวะเสียงที่ร้องดา่าได้แก่คํายาบคาที่เกิดจากเสียงร้องด่าชื่อว่าเวระวะที่ร้องดา่าได้แก่การรบของมาร เสียงที่ร้องด่าของอภิมารชื่อว่าอภิมาระเวรวะเสียงที่ร้องด่าของอภิมารพระชินเจ้าไม่ต้องมีเวรกับเสียงที่ร้องด่าของอภิมานนั้นทรงประกาศให้ทราบคือให้รู้ทั่วแล้วเพื่อจะตอบคำถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้ใครทราบพระพุทธรคิตาจารย์จึงกล่าวคำว่าระเวระเวเรริวะเพระเวระเว ผู้ร้องอย่างน่ากลัวดุดดวงระวีหวั่นไหวพราะคู่เวรเป็นต้นในคำนั้นเมื่อควรจะกล่าวว่าระเวรังท่านก็ได้ลบนิคขิตประกอบความว่าเวเรอิวะเป็นเวเรริวะความหวั่นไหวคือความสั่นสะเทือนของดวงระวีระวีก็คือพระทิ์ชื่อว่าระเวระดวงระวีหวั่นไหวดุดดวงระวีหวั่นไหวคือ ราวกับดวงอาทิตย์สั่นสะเทือนในเมื่อราหูผู้เป็นคู่เวรมาถึงแล้วคำว่าเพระเวระเวผู้ร้องอย่างน่ากลัวได้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ส่งเสียงร้องให้เกิดความกลัวพระทุกทั้งหลายมีทุกข์ในอบายเป็นต้นเพื่อจะตอบปัญหาว่าชนผู้เช่นไรแม้อีกพระพุทธรกิตาจารย์จึงกล่าวคาว่า ระเวระเวสูดิตาคาระเวระเวผู้กล่าวเชิญเ จ, เจาะจงด้วยความเคารพด้วยดีในคําที่พระองค์กล่าวเป็นต้นในคํานั้นคําว่าระเวระเวในคําที่พระองค์กล่าวได้แก่ในปาพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วตรัสอีกคําว่าสูดิตาคาระเวระเวผู้กล่าวเชิญเจาะจงด้วยความเคารพด้วยดี ได้แก่ผู้กล่าวเชิญเจาะจงด้วยความเคารพได้ดีแล้วอธิบายว่าพระชินเจ้าทรงประกาศให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ควรแนะนำที่กล่าวเชิญเจาะจงด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือผู้กล่าวคำสาธุ ก, การอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคสุคตพระสุคตเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมที่จะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด ทราบแล้วเพื่อจะตอบปัญหาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศให้ทราบอย่างไรบัดนี้พระพุทธรักิตาอาจารย์จึงกล่าวคำว่าระเวระเวเดสิโนระเวระเวพระชินเจ้าทรงประกาศให้ชนผู้ส่งเสียงซึ่งส่งเสียงลดลงทราบแล้วเป็นต้นในคำนั้นประกอบความระเวอเวเดสิเป็น ระเวระเวเดสิและประกอบความชิโนโอระเวระเวเป็นชิโนระเวระเวในคำนั้นการร้องเรียกต่างๆคือที่ผิดหรือคำที่ํำนวนต่างกันชื่อว่าวิระวะการส่งเสียงผิดได้แก่การพูดเท็จเป็นต้นคำที่เกิดขึ้น เ, นเพราะการส่งเสียงผิดชื่อว่าวิระวะได้แก่ คำพูดชั่วมีคำกล่าวเท็จเป็นต้นเป็นมูลการส่งเสียงประกาศที่ลดลงได้แก่ที่เว้นจากคำพูดชั่วนั้นชื่อว่าโอระเวรวะได้แก่คำที่มุ่งแสดงถึงกุศลอย่างดียิ่งพระชินเจ้านั้นได้ประกาศให้เวนยชนผู้ส่งเสียงลดลงซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในตอนต้นนั้นทราบคือให้รู้มีคำอธิบายว่าบุคคลได้ฟังว่าพระชินเจ้านั้น ไม่ตรงมีเวรกับเสียงร้องที่ร้องด่าของอภิมาณทรงประกาศให้เวนายชนผู้ส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัวเพราะกลัวอบายดุดดวงอาทิตย์เห็นราหูผู้ได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกจึงพากันมากล่าวเชิญด้วยความเคารพในปาพศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วทรงเสียงลดลงทราบแล้ว พระพุทธรักิจตาจารย์ครั้นพันนาการทำลายกามกิเล็พร้อมทั้งอนุสัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอาการไม่ใช่น้อยอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะพรนนาอนุปาธาปรินิพานจึงกล่าวบทที่กล่าวซ้ำกันย้อนลําดับว่าโลกายาตะตยากาโลนะอ่านข้างล่างอ่านข้างหน้ามาก็เหมือนกันอ่านข้างหลังกลับมาก็เหมือนกันนะแต่งเก่งมากเลยนะ โลกายาตะตะยากาโลกาโลยาตะตะยากาโลเหมือนกันย้อนหลังเข้ามาก็อ่านเหมือนกันเนาะเวลาที่พระองค์เสด็จมาในโลกแล้วเป็นต้นในคำนั้นเมื่อควรจะกล่าวว่ายาโตท่านแปลงโออักษรเป็นอาเป็นอาอักษรคำว่าวิเสสงนะสังเสวิอวิเสสงนะนะสัง เ, ววเสวิย้อนหน้าย้อนหลังก็เหมือนกัน ไม่ใช่ตรงเสพความวิเศษไม่ใช่ไม่ตรงเสพความวิเศษก็คือเสพความวิเศษนางเอทนั่นเองนะปฏิเสธซ้อนปฏิเสธสองครั้งความว่าถามว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยณอักษรสองตัวที่ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธโดยไม่กล่าวาว่าวิเสสังสังเสวิตอบว่ามีประโยชน์มากเวลาที่พระองค์เสด็จมาในโลกคือเสด็จมาอุบัติสืบต่อกันเป็นเพระโพธิสัตว์ และตัดสุขเป็นพระพุทธเจ้าทรงเสพคือทรงครบหาความวิเศษอย่างยิ่งเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นชันใดเวลาที่พระองค์เสด็จไปคือเสด็จไปจากโลกแม้เป็นเวลาที่เสด็จดับขันธปรินิพานก็ทรงเสพคุณนวิเศษอย่างยิ่งคือทรงนำความสุขมาให้แก่โชดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดห้าพันปีก่อนจะปรินิพานนี่พระเจ้าเข้าสมาบัติสองแสนสี่มืนโกรธนะ 224โคตรธรมมบัตรนะน่ะบัตรนี้พระพุทธรักิตาอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นปานนี้เป็นสรณะจึงกล่าวบทที่กล่าวซ้ำกันย้อนลำดับว่าราชาราชาพระราชาผู้ยิ่งกว่าพระราชาเป็นต้นอีกในคำว่าราชาราชาเป็นต้นนั้น ที่ชื่อว่าบทที่กล่าวซ้ำกันย้อนลำดับได้แก่แม้เมื่อท่านกล่าวเรื่อยไปจนถึงอักษรตัวสุดท้ายคาถาก็เหมือนกันอย่างนั้นนั่นเองในคำว่าราชาราชาเป็นต้นนั้นพระราชาผู้ยิ่งกว่าพระราชาทั้งหลายชื่อว่าราชาราชาพระราชาผู้ยิ่งกว่าราชายศที่มหาบุรุษยศที่พระมหาบุรุษทรงได้โดยความเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาชื่อว่า ร, ะชะระชะาชาราชยโสยศของพระราชาผู้ยิ่งกว่าพระราชาคุณของพระพุทธเจ้าประกอบแล้วด้วยยศของพระราชายิ่งกว่าพระราชานั้นคุณของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยยศของพระราชายิ่งกว่าพระราชานั้นชื่อว่าราชาราชยโสเปโตประดับด้วยพระยศของพระราชาผู้ย <im um> ิ <im <im <im <im <im <im <im ่งกว่าพระราชา คุณของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยยศของพระราชายิ่งกว่าพระราชานั้นนั่นแลด้วยเป็นคุณนวิเศษเพราะไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าราชาราชยโสเปตะวิเศโสพระคุ ณ, ณวิเศษอันประดับด้วยยศของพระราชาผู้ยิ่งกว่าพระราชาคำเภี้ยชินาลังการะนั้นข้าพเจ้ารจนาแล้วคือแต่งไว้แล้วด้วยสามารถแห่งการผูกประโยคด้วยอักษรบท ในคําว่ายามะตังจิระสังเสวิข้าพเจ้านั้นขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงบําเพ็ญนานนี้เมื่อควรจะกล่าวว่ายามิท่านก็แปลงอิ อ, อักษรเป็นอา อ, าอักษรเป็นยามะเพื่อต้องการรักษาบทที่กล่าวซ้ากันการบําเพ็ญแสวงหาของพระพุทธเจ้านั้นนานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าการบําเพ็ญนานต้องเสียสองไขยแสนกับนะนะ การบําเพ็ญนานด้วยตบะนั้นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าการบําเพ็ญนานและตบะการบําเพ็ญนานและตบะนั้นมีอยู่แก่พระผู้มีพระพาเจ้านั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระพาเจ้าจึงชื่อว่าจิระสังเสวิตตโปผู้ทรงบําเพ็ญนานและทรงมีตบะซึ่งพระผู้มีพระพาเจ้าพระองค์นั้นมีการบําเพ็ญนานและมีตบะในคําว่าตเปโตยชราชรานี้ มีการตัดบทเป็นตะปังเอโสยังอะชรังอาอะชราในคานั้นคาว่าเอโสนั้นได้แก่ข้าพเจ้านั้นซึ่งเป็นผู้แต่งคาทีชินาลังการะยังสั์เชื่อมกับปฐมบาทคําว่าอะชรังคือไม่เก่าแก่คือเป็นของใหม่คํานั้นเป็นกริยาวิเศษคําว่าอาย่อมนำอภิวิธีมา อภิวิธีนี่ก็เป็นเรื่องของวัากรณ์นะการกำหนดเขตที่จะแผ่ไปหรือวไปถึงเช่นที่ใช้อาศัพในประโยคว่าอภิวิธิปะนะกิริยังพยาเปตตวาปะวัตติยะถาอาภวคังภวะพระวะโตยะโสปะวะติติอันนี้เป็นเรื่องหลักวัากรัย์ไปแนละ้ว สภาวะนั้นไม่มีความแก่เหตุนั้นจึงชื่อว่าอัชรังไม่มีความแก่คือพระนิพพานคําว่าอาชราเป็นปัญจมีวิพัตอธิบายว่าข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าจะถึงสภาวะที่ไม่มีความแก่คือจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานนี้เป็นบทสําเร็จในคํานั้นมาฟังพอดีเป็นเรื่องพยากรณ์ด้วยเนาะแต่ว่าก็จะมีพรรณนาคุณของพุทเจ้าพระคุณต่างๆไปเยอะแยะ และเดี๋ยวตอนท้ายก็จะมีอีกคําว่าราชาราชะยะโสเปตังประดับด้วยพระยศของพระราชาผู้ยิ่งกว่าพระราชาได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกเวตชัติของมนุษย์สเวตชัติทิพย์และสเสวตชัตรคือวิมุติทั้งสามแล้วทรงแผ่อาณาจักรไปในแสนโกศกวาลทรงบรรลุคุณตามความเป็นจริงเพราะทรงได้ราชาสมบัติคือความเป็นพระพุทธเจ้า และความเป็นใหญ่กว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายและพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงมีพระยศกล่าวคือพระเกียรติคุณอันแผ่ไปแล้วโดยในเป็นต้นว่าอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงชื่อว่าเป็นผู้วิเศษเพราะทรงมีพระคุณอันไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่น ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าผู้แต่งคำภีชินาลังการะได้รจนาอย่างพิเศษประดับด้วยพระยศของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาดังพันานามาชนิข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงบำเพ็ญ น, นานผู้ทรงมีตบะเป็นที่พึ่งไม่ให้เก่าแก่คือให้เป็นสิ่งใหม่จนกว่าจะบรรลุนิพพานอันไม่มีความแก่ อันมีสภาวะไม่แก่อันตรายใดๆจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้านั้นเลยนี้เป็นอธิบายการถึงสารณะดังนี้แลความปรารถนาเป็นอย่างไรคือพระพุทธรกิตาอาจารย์ย่อมปรารถนาว่าด้วยบุญตามที่กล่าวแล้วข้าพเจ้านั้นขอถึงตบะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบำเพ็ญ น, นานทําให้เป็นสิ่งใหม่ๆทุกๆชาติว่าในวันนี้ในวันนี้ จนกว่าจะาบรรลุนิพพานอันตรายอะไรๆต่อการปฏิบัติจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้านั้นเลยนั่นปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธรกิจตาจารย์ครั้นพันน า, นาการทำลายการมกิเลตโดยประการไม่ใช่น้อยอย่างนี้แล้วบัทนี้เพื่อจะพันน า, นาพระคุณที่เจือปนของพระพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวคาว่าอากังขาคะอากังขาคะผู้มีจักสุที่พึงหวัง เป็นต้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอากังขาคะผู้มีจักสุที่พึงหวังความว่าจักขุกล่าวคืออนนาวรณญาณพระญาณที่ไม่มีเครื่องขัดขวางที่เนื่องกับความนึกนวลได้แก่อินทรีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดมีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้นั้นพระนามว่าอากังขาคะทรงมีจักสุที่พึงหวัง เป็นคําร้องเรียกว่าโพอากังขัคะท่านผู้เจริญผู้มีจักษุที่พึงหวังคําว่าอากังขังคะผู้มีอายะที่ไม่พึงสงสัยความว่าผู้ทรงมีพระศรีระประกอบด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะอันตัดความสงสัยคําว่ากังขาคังโค ข, ขะคาหะกะผู้ไม่ ทรงถือเอาห่วงแห่งความสงสัยความว่าผู้ไม่ทรงถือเอาแม่น้ำกล่าวคือความสงสัยที่เป็นไปตืบต่อกันคําว่ากังขาคะหะกะกังขาคะผู้ทรงทําลายความกังขาของผู้ยึดถือความกังขาก็คือความสงสัยความว่าผู้ทรงทําลายความสงสัยของเหล่าชนที่ถือเอาความสงสัยคือมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าเป็นต้น คำ ว, ว่าหาหากังขากะหังกะหังความกังขาจะเป็นไปในที่ไหนไหนความว่าคำ ว, ว่าหาหาใช้ในความหมายที่บ่งถึงความลาบากอธิบายว่าพระสุคตผู้เจริญพระองค์นั้นทรงมีอนาวรณญาณที่เป็นไปเนื่องกับความนึกนวลคือทรงประกอบด้วยพระลักษณะที่ให้ผู้อื่นรู้ว่าบุคคลนี้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน บุคคลนี้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพระองค์ทรงทาแม่น้ำคือความสงสัยให้เหือแทงด้วยมรคยานแล้วดำรงอยู่คือทรงตัดความสงสัยของชนแม้เหล่าอื่นด้วยการแสดงในต่างๆแล้วดำรงอยู่ความสงสัยในพระองค์เห็นปานนี้คําว่ากะหังกะหังในที่ไหนไหนได้แก่ก uh ูห uh ิงกูหนะิงณที่ไหนไหนอธิบายว่า ชื่อว่าความสงสัยคือความสะดุดอะไรอะไรในสังขารในวิการในลักษณะในนิพพานหรือในบัญญัติจะมีในที่ไหนไหนหาหาพระญาณของพระองค์นะหาหาก็คือพระยานของพระองค์เนี่ยเนื่องกับความนึกนวงเท่านั้นโดยแน่นอนพระยาณ น, นี่คือสัพพัญญุตยานนะรู้ทุกสิ่งอย่างเลยในเยยธรรมทั้งหลายเยยธรรมก็คือธรรมที่พึงรู้ร ก, ก็ได้แก่ธรรมห้าอย่างเนี้ยสังขารก็ได้แก่ จิตเจรสิกรูปสภาวะรูปลักษณะอวิการวิการก็หมายถึงวิการระรูปห้าสภาวะรูปสภาวะรูปเท่าไหร่สิบแปดเจรสิกห้าสิบสองเท่าไหร่เป็นเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมจิตอีกนับหนึ่งสภาวะเจ็ดิบเอ็ดนั้นก็เรียกว่าสังขารนะสังขารจิตหนึ่งเจรศิกห้าสิบสองรูปสภาวะรูปสิบแปดเป็นเจ็ดสิบเอ็ดส่วนวิการระรูปสามวิจติรูปสองนี้เขาเรียกว่าวิการ นะลักษณะรูปสี่นัก็คือลักษณะแล้วก็นิพานบัญญัติก็รวมสภาวะหมดจิตเจสิกรูปนิพานนี้เป็นเยยธรรมเป็นอารมณ์ของสัพพายุตยานหรือว่าอนนาวรณญาณ น, นะเพราะฉะนั้นพระญาณของพระองค์นั้นก็เนื่องด้วยความนึกหน่วงนั่นเองอยากจะรู้อะไรก็ไม่มีอะไรขัดขวางก็เลยเรียกว่าอนนาวรณญาณสัพพายุตยารู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงอนนาวรณญาณหมายถึงพรญาณที่ไม่มีเครื่องขัดขวาง อีกอย่างหนึ่งพระพุทธรคิตอาจารย์ย่อมแสดงว่าชื่อว่าความสงสัยของข้าพเจ้าในพระองค์เห็นปานนี้คือในรูปกายหรือว่าในธรรมกายจะเป็นไปณที่ไหนไหนาข้าพเจ้าไม่มีความสงสัยในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเลยคําว่าอปะคโพผู้ทรงปราชจากการเกิดในคันได้แก่ผู้ทรงปราชจาการเกิดในคันคือ เว้นแล้วจากการเกิดใหม่คำว่าอปะคัพโโผู้ไม่ทรงขนองอีกคำคือทรงไม่มีความขนองได้แก่ทรงเว้นจากความขนองที่เป็นความชั่วทางกายเป็นต้นคำว่าอโมโหผู้ไม่มีโมหะได้แก่ผู้เว้นจากโมหะคำว่ามาปะโมหโกผู้ไม่หลอกลวงได้แก่ผู้ไม่หลอกลวงชนเหล่าอื่นได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงเว้นจากความหลอกลวงชาวโลกเป็นต้นเพราะพระองค์ไม่ตรัส้อยคำคลาดเคลื่อนคำว่าอัคคะมัคคะมุขังโมกขังโมกษะอันเป็นปากทางแห่งมัคอันเลิศความว่าพระผู้มีพระพร า, าวจ้าตรัสแล้วคือได้ตรัสถึงพระนิพพานอันบุคคลผู้แสวงหาจะพึงเข้าไปทางประตูแห่งอรหัตมรรมคาว่ามาหามุหะกัมมังไม่ตรงแสดงสิ่งที่จะทาให้หลง ความว่าไม่ตรัสถใอยคําที่ควรแก่โมห oh ะคือที่เพิ่มพูนโมห oh ะคําว่าตาตาปา ป, า ป, าปาะผะวังปัดสังและทรงเห็นพบที่เป็นบาปและไม่เป็นบาปความว่าทรงเห็นแจ้งกรรมภพและอุปัติภพอันเลวและไม่เลวก็คือในภพที่ดีแล้วก็ภพที่ชั่วด้วยอนุปัสนาสามก็คือพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แป น, นตา คำว่าปาปาปาปาพะพระวุกขโตทรงหนีจากภพที่เป็นบาปและไม่เป็นบาปความว่าทรงหนีจากคือทรงขึ้นไปจากภพที่เป็นบาปและไม่เป็นบาปอีกอย่างหนึ่งทรงขึ้นไปแล้วคือทรงปรากฏได้แก่ทรงมีชื่อเสียงแผ่ไปแล้วในครั้งนั้นพระองค์เสด็จจากภพที่เป็นบาปที่มีความอาลัยในการมราคะ ไปตู่พบที่ไม่เป็นบาปคือได้บรรลุอนุปาธาปรินิพานคําว่ากุสลังกุสลังปรสังทรงเห็นกุศลและอกุศลความว่าทรงกําหนดรู้กุศลและอกุศลด้วยยาตะปริญญาด้วยตีระนปริญญาด้วยปหาณปริญญ า, าตาปริญญาคืออะไรปัญญาในการรอบรู้โดยในสิ่งที่ได้รู้แล้ว นะก็คือการพิจารณาธารมรูประปริเชตญาณกับปัจจยะปริคญาณ น, นะพิจารณาสภาวะลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยส่วนเตีรนัปปญญาก็คือปัญญาในการเข้าไปรอบรู้โดยเข้าไปพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นการรู้โดยสามัญลักษณะทีว่ไตรลักษ ณ, กษณ์ส่วนปหาณปปญญาก็เป็นการละเป็นการประหารเป็น วิปัสนาญาณที่มีกำลังเรืงแต่พังคานุปัตสนาญาณเป็นต้นไปถ้าเป็นโลกิยะนะถ้าโลกุตระก็อรหัตมักมักกิตนะมักเกิดขึ้นขณะนั้นปัญญ า, านในมักก็เรียกว่าเป็นปัญหาปริญญาเป็นการประหารกิเลสทันนานญาติปริญญานี่ก็วิปัสนาญาณสองนะตีระนาปัญญาก็วิปัสนาญาณอีกสองส่วนพังคายานขึ้นไปก็เป็นปัหาปริญญาคําว่ากุศลังกุศลังจักชิ จึงทรงละทั้งกุศลและอกุศลความว่าการละทั้งกุศลและอกุศลด้วยอาหัตตมัตคิคือทรงทําการถอนอาไลาขึ้นคําว่าอะสังโคไม่ทรงมีความคล้องได้แก่ไม่ทรงมีความอาลัยในกุศลและอกุศลเหล่านั้นทรงเคลื่อนจากกุศลและอกุศลนั้นแล้วไปถึงอนุปาธาปาริณิพานพระพุทธรักษิตาอาจารย์พรัสแสดงบทที่มีอักษรเกินหนึ่งอักษร ด้วยฐานที่เกิดแห่งสระอย่างนี้ปัตตนี้เมื่อจะแสดงอักษรที่เกินหนึ่งอักษรด้วยฐานที่เกิดแห่งพยัญชนะจึงกล่าวคําว่าตอนนี้พยัญชนะเหมือนกันหมดเลยนะโนนานิโนณูนานินาเนนานินี่มีความหมายหมดเลยนะที่ตอนนั้นฟังใช่ไหมโลสัมเอ่ะพระพุทธโกศอาจารย์นะโนนานิโนณูนานิ น, นาเนา น, า น, า น, านานิเนี่ยนะๆๆมีความหมายหมดเลย ในบาดสถานนี้ตัดบทเป็นโนอะนานิโนนาヌอูนาณินาอะนีนาณิ ni, ni. ในบาดสถานนั้นคําว่าโ no, นได้แก่พวกเราโ no, นแปลว่าพวกเรานะ<ม>อืคําว่าอนานิโน no. มีวิเคราะห์ว่ามูสัตว์ย่อมหายใจเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนาผู้หายใจคือผู้มีชีวิตอธิบายว่าย่อมทําอาการเพียงหายใจเข้าหายใจออก พระผู้มีพระพาเจ้าทรงนำพาหมู่สัตว์มีชีวิตเหล่านั้นไปคือทรงนำพาให้ลุกถึงนิพพานท่านก็อธิบายได้นะเหตุนั้นพระผู้มีพระพาเจ้าจึงทรงพระนามว่าอนานิผู้ทรงนำพาหมู่สัตว์มีชีวิตไปพระผู้มีพระพาเจ้าผู้ทรงนำหมูสัตว์มีชีวิตไปนั้นคำว่านาโแปลว่าแน่แท้ได้แก่โดยแน่นอนสิ่งที่บกพร่องคือที่ไม่เต็ม ได้แก่ที่ไม่บริบูรณ์ท่านแสดงการปฏิเสธด้วยณสัพว์ในคําว่าอาเนานานินีมีวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เสียหายคือที่มีโทษได้แก่ที่ลามกสิ่งที่เสียหายไม่มีแก่กุศลเหล่านั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าไม่มีสิ่งที่เสียหายคือไม่มีสิ่งที่เป็นโทษได้แก่เป็นสิ่งที่ใครติเตียนไม่ได้นี้เป็นอธิบายเฉพาะบทในบาทสถานี บัดนี้จะเป็นการประมวลความกุศลทั้งหลายที่บกพร่องคือที่ไม่เต็มได้ แ, แก่ที่ไม่ถึงพร้อมเป็นสิ่งที่เสียเป็นสิ่งที่เสียหายย่อมไม่มีแน่นอนคือโดยแน่นอนแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้เป็นใหญ่ของเราทั้งหลายคือของพวกเราอธิบายว่าพระคุณทั้งปวงถึงพร้อมแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงฝ่ายอื่นในบัดคาถาว่าณนานิโน นุนานาเนนานินูนันานาะตัดบทเป็นณนะอานานิโนนุนนานิเอานานิแล้วก็นูนางแล้วก็ณอีกในบางกาถานั้นคําว่าณได้แก่ไม่ใช่ของพวกเราคําว่าอานานิโนมีวิเคราะห์ว่ามูสัตว์ย่อมหายใจเหตุนั้นจึงชื่อว่าอานาผู้หายใจคือผู้มีชีวิตมหาเทพผู้ใดผู้หนึ่งผู้เป็นใหญ่ของชาวโลกทั้งหลาย นำพาหมูสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นไปคือให้มีชีวิตอยู่เหตุนั้นจึงชื่อว่าอะนานิอะนาณิผู้นำพาหมูสัตว์มีชีวิตไปสิ่งที่เสียหายคือสิ่งที่เป็นโทษอนมหาเทพนั้นผู้ไม่ได้นำพาหมูสัตว์มีชีวิตไปชื่อว่าผู้ไม่ได้นำพาสัตว์มีชีวิตไปไมิใช่ผู้เป็นใหญ่ของพวกเราผู้เป็นใหญ่ของเหล่าชนผู้เป็นมิจฉาทิฐิพวกอื่นขับออกแล้ว คือบรรเทาแล้วได้แก่ทําให้สิ้นไปแล้วหามิได้คือย่อมไม่มีแน่นอนคือโดยแน่แท้โดยแน่นอนพระพุทธรกิจตาจารย์ครั้นกล่าวถึงชนผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นฝ่ายของตนและฝ่ายของผู้อื่นและคุณของบุคคลผู้เป็นใหญ่เหล่านั้นอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงว่าบุคคลผู้เปรียบเทียบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหัวข้อแม้อะไรอะไรย่อมไม่มีดังนี้ จึงกล่าวว่านานันนาณเนณโหนในบาดคาถานั้นตัดบทเป็นนังอาณ น, นังณนะแล้วก็อาณเนณโหนแนะบบนี้เป็นการอธิบายเฉพาะบทเพราะบุคคลผู้เป็นใหญ่เหล่านั้นไม่มีการขับออกจากความชั่วฉะนั้นปากก็คือปากปกติหรือปากก็คือศีลเป็นต้น หรือเทศนาที่เปล่งออกจากปากนั้นหรือปากอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้เป็นใหญ่เหล่านั้นที่จะเสมอเหมือนกับพระโอษฐ์ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นใหญ่ของเราทั้งหลายคือของพวกเราไม่มีคือย่อมไม่มีอธิบายว่าที่จะเป็นหัวข้อคืออุบายเพื่อจะทำให้เสมอด้วยเหตุนะั้อะไรอะไรย่อมไม่มีจ ะ, จะมาเทียบ กับพระพุตรเจ้านี่เทียบไม่ได้สักส่วนหนึ่งนะอืมท่านก็จะแสดงคาถาต่อเป็นพยัญชนะตัวเดียวเหมือนกันหมดเลยนะซึ่งก็วันนี้ก็สมควรจะเวลานะเอาไว้ต่อในวันตรงนี้ก็ข อ, อนุโมทนาสาธุการแนพผู้ที่ได้ยินได้ฟังอทั้งไวยากรณนทุกคนเข้าใจบาลีด้วยก็คงจะเป็นความเพลิเพลิอย่างมากเลยนะก็ขอให้ได้ตัทาประสัสในคุณของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อบรมสีนสมาธิปัญญาเพื่อรู้จแจ้งในธรรมของพระ อริยเจ้าคือประสัวะสมาสมุทจ้าโดยทั่วกันไม่เทินสาธุสาธุสาธุ